ในทุกชาตเราได้ <c oughs> ศึกษาได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราผ่านไปแต่ละวันมันมีกิจกรรมที่เราต้องเรียนรู้อยู่ <c oughs> ทุกๆระยะ เ, ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่เรียนรู้มันมันก็จะผ่านไปด้วยความเคยชินอันนั้นในลักษณะที่เป็นการศึกษาเนี่ยหมายถึงว่า สิ่งที่ผ่านไปทุกเวลานาทีเนี่ยมันจะต้องได้รับการตรวจสอบทบทวนทางร่างกายและจิตใจถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นมนุษย์ในยุคที่ <c oughs> เรียกว่ามีเครื่องมือทุกอย่างที่จะศึกษาแต่เราไม่สนใจชีวิตเราก็ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้นะครับั้นการเรียนรู้นี่ก่อให้เกิดทรัพย์สมบัติ เขาเรียกอรยัพพ์คือสติปัญญาคนเราส่วนให ญ, ญ่จะใช้เวลาที่ผ่านไปด้วยการเก็บเกี่ยวเรื่องโภกทร์ซับผลกำไร <c oughs> การได้การเสียขาดทุนกำไรตลอดตละชีวิตมันก็จะมีแต่วงจรที่เสริมตัวโลภะจริตนะจนเป็นอาสวะเป็นนิสัยเป็นบุคลิกนะทีนี้พอ เราได้มาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยในแง่ของพุทธธรรมอันก็ให้ศึกษาที่เรียกว่าสีและสิขาจิตต่สิขาแล้วก็ปัญญาสิขาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวไตรลักษณ์ทั้งสามซึ่งมันเป็นวงจรเป็นกฎของธรรมชาติมีต่อทุกๆสิ่งทุกอย่างทุกสัมภัสัต แต่ว่าที่นี้เราเป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้กฎเกณฑ์อันนี้มันหมุนผ่านไปโดยที่ไม่ไม่ได้อะไรจากมันเลยเนี่ยถือว่าเร า, าไม่สามารถจะกเก็บเกี่ยวความเป็นมนุษย์ของเราที่เป็นการเกิดมาเป็นชาติมนุษย์ให้คุ้มค่า เ, เราก็ไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าสัมภสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มาสนองความอยาก ราคาตัญหาถ้าไม่ได้อย่างใจก็เกิดโท่ซัอาคาตพยาบาทไม่พอใจถ้าได้อย่างใจก็ลงไหลได้เพลินเพลินหรื อ, อยังไม่มีอะไรมาตอบสนองดังพอใจไม่พอใจก็รุ่มหึงเพลินในความเคยชินยัเป็นอยู่เนี้ยวียนเวียนอยู่วงจรอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วนี่ชีวิตของเราก็ไม่ได้พัฒนากว่า คนรุ่นก่นกอนๆที่เขาไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการศึกษาสักเท่าไหร่แถมซ้ํำเราจะมีความสุขน้อยกว่าเขาด้วยซ้ําไปอันะ น, นี้คือสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำกันบ่อยๆว่าเราได้ทําอะไรผ่านไปแต่และวันแต่และเวลาแต่และนาทีเราก็เก็บเอาการกระทําเหล่านั้นไม่ว่าคำพูดความคิดการกระทําที่มันผ่านไปเนี่ย จะมาตรวจสอบว่ามันผ่านไปด้วยความแต่เราได้ศึกษามาหรือไม่เนี่ตัวนี้ามาว่ า, น, า <c oughs> น่าสนใจสําหรับเราที่เป็นคนมายุคนี้นะจะอยู่ในวัยก็ตามนนการเริ่มต้นด้วยการศึกษามันก็ไม่สายนนเพียงแต่ว่าเราจะใส่ใจที่จะศึกษาหรือไมอ่นนี้คือเป็นเรื่องสําคัญที่เราได้หันมาสู่ วงการพุทธศาสนาก็เพื่อสิ่งนี้นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้แล้วนี่ชีวิตผ่านไปก็ไม่แตกต่างกับชาวบ้านที่ไม่ได้ไปศึกษาอะไรเท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นเองมาว่าในในมิติใหม่ของวิปัสสนาเนี่ยเราน่าจะมาทํากันจริงจังมากขึ้นชีวิตเราครึ่งหนึ่งข้อนหนึ่งมันหมดไปกับความไร้สาระของ ของโลกธระทำโลกกระทำในฝ่ายที่สุขในฝ่ายที่ทุกฝ่ายที่สันเซินนิทาได้ลาบได้ยุดเสื่อมลาบเสื่อมลดอยู่อยู่อย่างเงี้ยวุ่นอย่างเงี้ยในโลกธระทำแต่ที่นี่ในเมื่อเราโมโหพุทธศาสนาเดี๋ยวพระพุทธเจ้าได้สอนโลกุตระธรรมเดี๋ยวก็น่าจะสแสวงหาโลกในส่วนนี้บ้างหลังจากที่เราได้รับบทเรียนทุกมาตลอด หลายภพหลายชาติจนมนุษย์จนมอเกิดในชาตินี้เราก็ยังวนเวียนอยู่ในวงจรอันนี้แหละสุขทุกข์ชอบไม่ชอบสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจรักโลกโกรธหลงอาฆาตพยาบาทก็จะวนอยู่ในวงจร น, นี่อีกทีเราก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยศึกษาเรียนรู้ไอ้วงจรอันนี้อย่างจรงิงจังแล้วก็ปล่อยให้มันหมุนปั่นเราไปตามอำนาจของมันอยู่นั้นน่ะ ไปเจอใครที่ทาอะไรที่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็รู้สึกชอบรักนิสัยเขาไปเจอใครที่ทำอะไรไม่ถูกชะตาไม่ถูกหูถูกตาแล้วก็ไม่ชอบไม่รักหาทางเบียดเหยียดกันอะไรออกไปก็เุ่วุ่นโยอยู่เนี้ยวนอยู่เนี่ยเราไม่เคยสะกิดใจตัวเองว่าเอ้เรารู้สึกอย่างนี้มากี่กี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วเนี่ยทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้อีกอะแล้วก็รู้สึกอยากได้อย่างนี้มากี่วันกี่ปีกี่เดือนกี่ชาติกี่ภพแล้ว ทำไมต้องเป็นอย่างนี้อีกเราเราไม่เคยย้อนถามมันนะเ้วก็เลยตำเลยลักษณะนี้เรียกว่าเราไม่มีการศึกษาดังนั้นเองในการเข้ามาสู่วงจรของคุณธรรมแบบในมิติที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยเราก็อยากจะให้คิดในมิตินี้กันบ่อยๆเพราะว่ามันจะนอกจากทำให้ชีวิตจิตใจของเราดีขึ้น มันก็ยังจะเป็นประสบการณ์ที่เก็บไว้เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ อ, อีกต่อๆไปนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะถอยห่างมาจากวงจรเก่าๆของเราแต่ในงแง่ของรูปคือร่างกายมันก็หมุนไปตามวงจรของไตรลักษณ์เหมือนเดิมเละแต่ในส่วนที่เราจะทำให้มันเรื่องอะไรเรื่องพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องเอากุลกาการศึกษานั่นคือหลักของไตรสิกขาของของพุทธองค์นั่นแหละมาคือหลักของอริยมักนั่นแหละเพราในไตรสิกขาเนี่ยมันก็ถอดรหัสมาจากอริมักเป็องค์แปดนั่นเองเช่นสมาสังคปะกับสมา ท, ทิเนี่ยเป็นองค์ของปัญญาสิกขาองค์ของกามสมากามะสม า, ม า, สมาวัจาะสมาอาชีว ถอดออกมาเป็นสีในสีขาในองค์ของสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิก็เป็นจีในสีขาสกขาสามสีสมธิปัญญาสีขาก็คือมาจากอันนี้มักมีองค์8แต่ในส่วนปัญญาสิกขาเนี่ยมันจะสองตัวหัวท้ายนะก็คือตัวสามาธิสติสมาสังคปะท้ายก็คือสามาญาณกับสามาวินมุตทั้ง4ี่ดวงได้เป็นปัญญาสีขา เพราะเราทามันสมบูรณ์แบบแล้วมันก็เป็นเป็นอะนิมักสิบไม่ใช่อะนิมักแปเพราะในสมารสติสมาสมาธิแล้วต่อไปอีก2ตัวคือสมาญานกับสมาวิมุตต์เนีเพราะนั้นในตัวปัญญาสิขาเนี่ยมันจะตบท้ายแล้วก็ปิดปิดปิดปิดท้ายแล้วขึ้นต้นแล้ปิดท้ายขึ้นต้นคือสมารถิติสมาสังกปปะปิดท้ายด้วยสมารานสมารวิมุตต์ใน่้มกลางก็จะเป็นสี่และสีขากับ จีตสิขาสิลสิขา3จดสิขาสกาแต่ปัญญาสิขา4 เ, เป็นอนิมักมีองค์10นะะเพราะนั้นในหลักสูตรหลักๆที่เราต้อ ง, ง, งศึกษาก็มีอยู่แค่นี้ที่จะมาเปลี่ยนคุณค่าของในตรรลักษ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการศึกษามันมันก็จะเป็นสมมุติไทยให้เกิดทุกสิประการเหมือนกัน ที่เรียกว่าสัญญุติสิบสัญญุติสที่ิืมต้นด้วยสักยะทิฏฐิวิจิกิชาศีลพระปรามาตกรรมราคาปริฆะกมราคาปริฆะอรูปราคาอรู ป, ร, ป, ปราคาอุทจามานาอวิชชาเนี่ยเป็นเป็นตัวสมุทัย พอมาตัวในฝ่ายที่เป็นนิโรธคือฝ่ายดับทุกข์ก็จะเป็นอริมักวิองสิบเหมือนกันในฝ่ายเกิดทุกข์ฝ่ายที่เป็นสมุทัยก็มีสัญญอยสิบเหมือนกันนะก็ถ้าเราจะศึกษาเอาตัวหลักกันแค่นี้มันก็ก็ง่ายขึ้นก็ง่ายขึ้นในตัวหาคปฏิบัติเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีตัวหลักเป็นที่ เดินนะไม่งั้นเราหลงทางใช่ไหมเราก็มั่วไปเขามั่วไปแล้วก็ไม่รู้ว่าถึงไหนนะล้วก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดังนั้นในแต่ละวันแต่ละเวลาที่ผ่านไปเนะี่ยเราก็ต้องคอยถามตัวเองเสมอนะตัวนี้ฉันกําลังใช้ชีวิตในในส่วนไหนของสีขาสามเริ่มต้นด้วยปัญญาสี่ขาเนะี่ยในแต่ละขณะได้สํารวจตรวจสอบทบทวน ความเป็นไปของรูปของนามได้ชัดเจนแค่ไหนในขณะที่เราตรวจสอบเนี่ยมันมีฝ่ายเกิดทุกข์กับฝ่ายดับทุกข์เนี่ยอันไหนมากกว่าเราก็เข้าไปจัดการทีนี้ในแง่งพฤติกรรมที่ออกมาการพูดการกระทําการใช้ชีวิตทั้ง3อย่างก็จะเป็นองค์ของสี่และสี่ขาซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการพูด เกี่ยวข้องในการกระทําและเกี่ยวข้อการใช้ชีวิตทุกอย่างที่เราเราเคลื่อนไหวเนี่แหละแล้วเข า, าก็ไปจัดระเบียบคําพูดจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบการกระทําให้ <c oughs> ให้มันมีศิละปะครับว่าศิลปศิขาเนี่ยคือให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วดีงามนี่เขาเรียกเป็นถ้าหากว่าศิลปศิขาถ้าเราศึกษาแล้วก็ต้องใช้ศิละปะ ถ้าไม่มีศิลปะในการศึกษามันก็จะกลายเป็นอะไรศิลปะดาบธรรมะในสัญยุสิปวิชีศักยญ า, า, า, า, า, าติติวิชีกิจาศีลและตาบธรรมะถ้าเราศึกษาศีลโดยที่ไม่มีศิลปะมันจะกลายเป็นศิลปะธรรามะาคือสําคัญตนว่าเราทําได้ดีกว่าเพื่อนเราได้เก่งกว่าเพื่อนเราปฏิบัติดีกว่าเพื่อนคนนั้นแย่กว่าเราคนนี้ดีกว่าเราอะไรคนนี้ก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมา ก็เข้าสู่สังโยคเป็นสกิยทธิฐิกลับมาเป็นสกิยาธิอีกแต่พอเรามีสีขาสามเมีศีและสีขาเข้าไปปับมันก็เกิดว่าศิลปะเรามองในแง่ของความสวยงามการแสดงออกคำพูดที่สวยงามการกระทําที่สวยงามและการใช้ชีวิตที่สวยงามก็ใช้ศิลปะเช่นเวลาเราจะไปที่ไหนแล้วลุกพรวดไปเนี่ยก็ถือว่าไม่สวยใช่ไหม แต่ถ้ามีการลำดับการเคลื่อนไว้อย่าง <c oughs> ยังมีศิละปะยังมีสติวันนี้แก่เป็นเป็นศีลและศีขาแต่นี่จะเป็นศิลปะปัจจระมาตเนี่ยมันมันน่าศึกษาในรายละเอียดเยอะเลยนะแล้วก็ในส่วนของจิตสิศขา <c oughs> ก็คือตัวมีความหนึ่งความพยายามสองความตั้ง สติสามก็คือการตั้งสมาธิสามตัวนี้เป็นจิตสิขา <c oughs> แต่แทนที่จะเป็นสมาสิขานี่ไม่ใช่นะเป็นจิตสิขาเราเรามีความพยายามนะศึกษาทั้งจิตอย่างไรศึกษาว่าในขณะที่ที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้มีสิ่งไม่พึงปรารถนาอันหนึ่งก็คือวงจรของไตรลักษใช่ไหมแล้วเราเราก็ ที่แล้วมาเนี่ยบทเรียนที่แล้วมาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็แสดงคือความไม่ชอบใช่ความไม่ปรารถนาความไม่ต้องการความไม่เห็นด้วยความไม่เอาด้วยอะไรเนี่ยไม่ไม่ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมผลักดันในสิ่งที่เราไม่ต้องการแม่แต่บุคคลเราก็หอยห่างไม่อยากพูดด้วยไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะคบหาเราก็ดีลมา จะไป ส, สิ่งของขไปเจอห้องน้ําที่สกปรกเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเข้าอย่างไปเจอ <c oughs> ที่นอนหมอนบุ้งที่ยุ่งเหยิงเราก็ไม่อยากจะหยิบด้วยหรือไปเจอคนที่เกะกะสกปรกเราก็ไม่อยากจะคบด้วยเราก็ลักษณะอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามวงจรของแต่รักใช่ไหมแต่พอเราเข้าไปเห็นสิ่งเล่านี้ปั๊บถ้าเรามี สีและสีขาเราก็เข้าไปจัดระเบียบเท่าที่เราทําได้เช่นว่าห้องน้ํามันไม่สวยเราก็ไปทำให้มันไม่สวยท่า น, นั้นเองหรือผ้าเชื่อที่อยู่อาศัยของเราลุกลุงหลังก็ไปทํามีสติเข้าไปจัดการไปพับอันไหนที่ต้องซักก็ไปซักแทนที่เราจะมาบ่นว่าคนใครทําอะไรตรงนี้นใครมาทํางนี้นี่ใสเสียน้าดูเลยอะไรตรงนี้เราแทนที่เราจะอันนี้คืเข้าสู่วงจรของไตรลักษณ์พอเข้าสู่เงจรไตรลักษณ์มันก็จะเป็นอะไร สมุทัยเป็นสัญลักษณสิไปเลยนะีแต่พอเข้าสูวงจรของสไตสิขาวมันกลเป็นศิลปะในการเรียบเรียงในการจัดโดยดีเหมือกันฉันจะได้ฝึกนิสยัยเราก็ดีขึ้นใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามองใ น, นแง่ของศีและสีขากาับสีและปัจามาดีคนละเรื่องเลยเนี่ยนะสีพระปัจามาคือไปยยดว่า ต, ต้องดีอ่ะถ้าไม่ดีฉันไม่เอาด้วยอย่างน้เนี่ยใช่ไหมสเสร็จแล้วเกิด อ, อะไรขึ้นทุกใช่ไหม แล้วก็ถือเราถือเขาถือกูถือมึงขึ้นมาปัญหาก็เกิดเห็นไหมนี่เขาเรียกสมุทยัยในไยเกิดแต่พอเรามีศิละปะเข้าไปเกี่ยวเขาในไยดับเกิดขึ้นคือดับปัญหาดับปัญหาดับความหมงุดหงิดดับความสําคัญตนหยัดความยึดมันม่นถือมั่นเก่าๆที่เคยเป็นมาแหละใช่ไหมแล้วนิสัยเหล่านี้เราก็เป็นมาตลอดอะ่ะไม่ใช่ชาตินี้เท่านะัหลายพวหลายชาติซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมัน วิเศษ จ, จริงนะคำสอนพระเจ้าแต่ทําไมเรามองไม่เห็นนะ <c oughs> ทั้งที่ว่าเราถูกกระพุศา ส, สนามาตลอดชีวิตใช่ไหมแต่เราก็ยังหมุนหมุนดูโง่ๆเก่า ๆ, ๆเราแต่เราน่าละอายตัวเอง <c oughs> เราแยกไม่ออกวิาาาชาทีษฎีจริงแล้วก็หลงเนี่ยตรงนี้มาว่ามันเป็นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะครูผู้สอนนี่นะเขาไม่ได้แยกแยะให้เราเห็นว่าอะไรเป็นอะไร ก็มั่วๆไปงตามประเภทนี้คนไหนพรองค์ไหนพูดอะไรถูกใจเราแล้วก็โปรเต็มที่เลยนะแต่ถ้าไม่ถูกจิตจิตนิสัยเราก็คอนเต็มที่เลยคอนฟลิกต์นะคอนทราดดอตร์ดัดคัดค้านเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราน่าจะศึกษาแล้วก็ช่วยทํากันสิ่งเนี้ให้เป็นเป็นนิสัยที่แต่ต่อไปเราก็จะเห็นความดีงามของชีวิตใช่ไหม ความดีงามผแน่ น, น, นอนในตัวตัวรูปชีวิตที่เป็นตัวเป็นรูปเองมันมีอะไรดีงามหรอกมันเปลี่ยนตลอดเวลาแปลผลตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าไปดูในมิติที่ว่าสีและสีขาหรือปัญญาสีขาเนี่ยแล้วก็จะแปลงความไม่ดีงามทั้งหลายนีย่ให้มันให้มันดีขึ้นมาเช่นความอ่อนแอแปลงให้มันความเข้มแข็ง ข, ข, ขึ้นมาหรือความเจ็บปวดก็แปลงให้มันเป็นการศึกษาว่าเจ็บปวดมาจากไหนว่าเริ่มต้นอย่างไรไอ้ที่แล้วแล้วไป เมื่อคืนมีคนเฟซมาถามคนหนึ่งว่าเออความสบายไม่สบายทางกายเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวมันก็หายได้นะแต่ในกรณีบางโรคบางอย่างความเจ็บปวดบางอย่างปรับเปลี่ยนยังไงก็ไม่หายสมมติเราเป็นโรคกระจําอย่างเงี้ยโรกตับโรกปอดโรคกระเพาะโรคทางลหมหายเดินลหมหายใจโรคปวดหลังปวดขาเนี่ยเราจะแก้ยังไงมันก็จะปวดยังเจ็บอยู่อย่างเงี้ยนะ ในกรณีอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขอย่างไรอืมอามาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นผลไปแล้วอะ่ะผลที่คุณได้สั่งสมเหตุมายาวนานมาถึงฝังตัวออกมาเป็นวิบากเพราะนั้นคุณแก้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นในส่วนที่คุณแก้ไม่ได้นั้นคือคุณต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่คุณสั่งสมมันมาใช่มแต่ถ้าคุณหนึ่งคุณต้องอดทนต้องทาใจและอย่าสร้างเหตุใหม่ สมทั่วไปแต่คุณต้องมาแก้ไอ้วิบากเก่าของคุณเนี่ยให้ได้ไอ้ลักษณะที่คุณพยายามแก้วิบากเก่าให้ได้นั่นคือเป็นปัญญาสีขาใช่ไหมเป็นจิตสีขาเป็นศีละสีขามันเข้าสู่หมดได้เลยนี่ถ้าหากว่าเขาไม่มีการเริ่มต้นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ต้องยอมรับวิบากแบบแบบที่เป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมเมื่อไหรฉันจะหายเมื่อไหรฉันจะหาย เราจะไปหาหมอหายาโดยที่มันมีวิธีแก้ของมันอยู่ก็คุณยายสร้างวิบากใหม่สั่งสมเข้าไปวิบากเก่าที่มันเหลืออยู่คุณก็แก้เท่าที่แก้ได้เนี่ย ใ, ในแต่ละวันก็แต่ละคนก็จะมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่แค่นี้เรื่องกายเรื่องใจใช่ไหมในส่วนที่วิบากเก่าที่สั่งสมมาคุณก็แก้มันไปแล้ววิบากเกา่าือกรรมเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสั่งสมมา ฝ่ายเดียวอะ ส, สังคมสังคมเขสังสมให้คุณสิ่งแวดล้อมสังสมให้คุณด้วยใช่ไห ม, ชไหมเช่นอากาศไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะไม่มีส่วนร่วมหรอกแต่ไอ้ทั้งนั้นมันเผาป่าไอ้ตรงนี้มันตีข้าวไอ้ตรงนั้นมันขุดดินไอ้ตรงนี้มันปัดฝุ่นตรงนั้นน่ยมันเรื่อยไม้ยังไงก็ฝุ่นผงพลิชเชนต่างๆมันมารอบด้านอย่างเงี้ยแล้วหน้าที่ของคุณคุณจะทำยังไงถ้าบ้านคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณจะแก้ไขอ ย, อย่างไงอันนี้เหตุปัจจัยใหม่ที่คุณต้องแก้แต่ถ้าคุณไม่แก้อะไรคุณก็จะเสียททั้งงา หร่างกายคุณต้องซึมซับอะไสิ่งหนึ่งเข้าไปสคุณก็อารมณ์เสียงหุน ง, งิดเพราะความไม่สบายกายใช่ไหมแล้วมันดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นอทุกก็เกิดวิบากก็เกิดโดยไม่ไม่จําเป็นแต่ถ้าเรามีวิธีแก้จะทํำยังไงไอ้สิ่งแวดล้องเหล่านี้ก็มันก็เริ่มหาวิธีแล้วใช่ไหมแล้วแต่ปัญญาของแต่และคนจะจัดการล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นศิลปะในการใช้ชีวิต เป็นสมาชีวะก็อยากจะให้ <c oughs> เราได้รู้ข้อมูลนี้เอาไว้ถึงจะทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ร0 0นะแต่ว่ามันเริ่มต้นมีการเริ่มต้นด้ือยอย่างดีเราเมื่อค่อยถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรเนี่ยก็เริ่มต้นจาก 1% เปอร์มันจะเป็นสองสามสี่ห้าเปซขึ้นไปได้รวดเร็ยวก็ได้แล้วไอ้สิ่งที่เราเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราก็มีการศึกษาตรวจสอบไปเรื่อยมันก็กลายเป็นข้อมูล ของจิตเป็นข้อมูลทางปัญญามันก็เก็บสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์ของจิตประสบการณ์ทางปัญญาคนอื่นถามว่าคนอื่นเขามีมีปัญหาอย่างเราไหมเรื่องอย่างนีน้มีเหมือนกันเลยนะมันเป็นแพทเทิร์นที่ตายตัวเลยเพราะแพทเทิร์นของแพทเทิร์นของตรลักษณ์อันนี้จังทุกอย่างนั้นตาเออไม่ได้จังแต่แพทเทิร์นของไตรสิกขานเนี่ยถ้าเราไม่มีการใช้ ไม่มีการยนตมิตรไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราเคยใช้ชีวิตไปตามค้อรองของแต่ละอย่างไก็อย่างนั้นแล้วก็แล้วก็สังสมวิบา ก, กรรมแล้วก็ตายไปไจริงเรื่องศินสิกขาในฝ่ายประมาจิเนี่ยมันก็ทุกคนมันมีอยู่แล้วเนี่ยสมมุติว่าสูงเลยเรานั่งเนี่ยมันไม่สบายใช่ไหมหมายความว่า ร่างกายไม่ได้ถูกจัดระเบียบให้เหมาะสมแล้วใช่ไ่าแพทเทิร์นของมันก็คือศีและสีขาแปลว่าสีล้แปลว่าปกติใช่ไหมการ น, นั่งนานๆแล้วมันเกิดไม่สบายผิดปกติไหมแล้วเขาไปจัดแพทเทิร์นของมันการที่มีสติสัมยาเข้าไปจัดให้มันคลายจากความไม่สบายตรงนี้ยเป็นสีนสีขามไหมเป็นจิตสีขามไหมเป็นปัญญาสีขามไหมมันจะทํางานพร้อมกันไปเลยเหมือนกดของใจรละอะ แต่ว่าโครงสร้างหลักๆมันก็คือเราจะต้องได้สติก่อนเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวจุดประกายให้เห็นให้เห็นทั้งสาอย่างให้เห็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนสติให้ให้ดีเสีย ก, ก่อนให้เข้มแข็งเสีย ก, ก่อนนะมันก็ไม่เห็นงานของทั้งไฟเกิดและไฟดับก็ทุก์เราก็ไม่เห็นดับทุกเราก็ไม่รู้จะดับยังไงเหมือนกันมันก็เกิด แต่ถ้ามันเกิดเองดับเองอย่างที่เราแล้ ว, ล ว, ลวมาเนี่ยโดยสัญชตาตญาณใช่ไหมมันก็ไปสู่สัญชาญาณก็ยังเป็นสมุทยัยถ้าเกิดเองดับเองนี่เป็นสมุทัยนะถ้าเราเป็นผู้รู้การเกิดและรู้ทิธดับเนี่ยมันเป็นนิโรธอะเป็นการดับเป็นการแก้ปัญหาสมมติว่าเรามีลูกคนหนึ่งมันเริ่มส่งไปเรียนหนังสือเนี่ยมันเริ่มมีเพื่อน่ะใช่ไหม ก็มีเพื่อนทีนี้มันก็ถ้าสมมติเปื้อร่มมีเพื่อนที่ดีเนี่ยพฤติกรรมมันก็จะดีขึ้นอถ้าไปเรื่องเพื่อนที่มันไม่ดีอ่ะพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เคยพูดอย่างนี้นะทําไมตอนนี้พูดอย่างนี้เมื่อก่อนมัใช้เงินไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่แต่นี่มันมันเมื่อก่อนมันโทรมาหาเราประจำเดี๋ยวนี้มันห่างๆไปเมื่อก่อนเวลาโรงเรียนปิดมันมาบ้านประจำเดยมันไม่ค่อยมาแลนมาเรื่องเห็นแล้ใช่ไหม แล้วก็เริ่มรู้ว่าเออเอาจจะมีมีปัญหาละแล้วก็ลืมเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบวิธีการตรวจสอบก็ไม่ไปตั้งคําถามกับเขานะคื อ, อไปทําอะไรมากับใครอะไรทั้งนั้นไม่ได้การตรวจสอบก็คือใช้ปกตินี่แหละคุยปกติพูดปกติอะไรเหมือนไม่มีคือเราไม่ต้องไปรู้อะไรเขาได้ไปทํามาหรอกเหมือนเหมือนเรายังไม่รู้อะไรแล้วก็คุยแบบปกติแล้ว เ, เคยคุย เมื่อเขามีปัญหาแนละ้วเขาจะสิ่งเขาจะระบายสิ่งเที่ออกมาด้วยด้วยฉันชชตยานของเขาเราก็เริ่มจับทางแล้ใช่ไหมเริ่มจับทางคือปัญหาเมื่อก่อนมันมีพอเริ่มจับทางเราก็เริ่มศึกษาไปศึกษาไปแล้วเราค่อยใส่ยาเข้าไปแก่แก่เนี่ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่เมตตามก็ตามมาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเมื่อไม่มีปัญญาเมตตาตา ม, ตา ม, มาไม่ได้ก็ใช่อารมณ์ทีนี้ แล้วก็ใส่เลยถ้ารู้ข้อมูลนวนผิดพลาดล้วก็ใส่เลยอันนี้เด็กมันก็กระเจิงไงใช่ไหมมันก็ยิ่งปิดปังตัวเองเพรากลัวเราไปรู้อะไรมันเข้าใช่ไหมเอามาอยู่กับพระมาศึกษาพระที่ผ่านมาก็ใช้วิธีแบบเนี้คือเขาเ้าเริ่มแปลปวนปิดผิดพาลาดอะไรแต่แรกๆแล้วก็เตือนเตือนเขาหน่อยดูว่ามันหนักข้อกันเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องเตือนแล้วอะาทั้งก็คุยกันธรรมดา แล้วเราก็หาวิธีบอกอย่างอื่นว่ามันไม่เข้าท่าอะไรเนี่ยถ้าเขายังไม่รู้ตัวก็บอกแรงอีกนิดหนึ่งถ้าบอกแรงอีกยังไม่รู้ตัวเราก็เริ่มเติมถอยห่างละแสดงว่ามันมันลึกเกินละลึกเกินไปถ้าเราไปแก้มันก็จะเสียเราบางครั้งเนี่ยมันไปลึกเกินไปเราต้องยอมรับแล้วมันถ้าเราไปยุ่งมากเกินไปเนี่ยเราก็ทุกข์ด้วยแหละทีนี้ก็ต้องปล่อยเพราะสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมา ทั้งยอมรนะอบพนเจ้ามันสังสมอย่างเงี้ยลึกเกินกว่าที่เราไปถอนอะไรมันได้แนะก็ต้องปล่อยอปล่อยอแต่พอมันไปถึงจุดจริงๆมันไม่มีทางรอดนะมันถึงกลับมาหาเราที่นี่แล้วตรง น, นั้นอ่ะมันจะมาบอกความจริงกับเราหรือคนที่เกี่ยวข้องรอบๆเนี่ยจะมาบอกเราว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้สันจะแก้ไขอย่างไรผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผู้รับผิดชอบนะก็จะมาคุยกับเราไอ้คนที่มันเป็นอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงนี่ เราก็ต้องมาแก้ไอ้คนที่มันไปรับปัญหามาในฐานะเป็น ญ, ญาติญาติเนี่ยเราก็มาแก้คนนี้ก่อนคุณต้องทำใจแบบนี้นะเพราะว่าลูกคนนี้หลานคนนี้เขาไม่ใช่เกิดแต่คุณส่วนเดียวส่วนหนึ่งคือจะพ่อเขาด้วยนะคุณมีส่วนหุ้นส่วนแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนอะ เออคุณไปรับเข้ามาหมดที่คุณทุกข์นะอีกครึ่งหนึ่งอันนิ้สายของพ่อเขาบุพกรรมของพ่อเขาเนี่ยคุณไปแก้เขาไม่ได้หรอกเขาก็ฝังกันมาเขาก็ต้องไปรับไปแก้หรือไปรับวิบากกรรมนะัะจาพ่อเในส่วนคุณคุณทําในส่วนที่ดีที่สุดคือมาทําใจคุณก่อนถ้าจําใจโดยที่ไม่ไปตอกย้ําซ้ําเตือนหรือไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยอาจจะแก้เขาได้ เหมือนกับเขาเป็นไฟคุณทําตัวเป็นน้ำใชะแล้วค่อยดับไปเรื่อยๆแต่ในกรณีที่คุณไปเห็นความไม่เข้าท่าของลูกของหลานแล้วคุณไปดอกย้อมซ้ําเตือนในสิ่งที่ไม่ดีเข้าคุณไปจู้จีจุกจีจก็เขาคุณไปแสดงอาการไปทุกข์วิตุกังวลเขายิ่งถอยหา่างเขาก็กลัวนะแต่ถ้าหากว่าเราทําไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆเย็ น, ย น, ยนสบายๆตามสัญชาตยญาณคนเวลามันไปทุกข์ลมันก็หาทางออกนะ แต่มันก็ต้องดูว่าใครน่าไว้ใจที่จะเล่าปัญหานี้ได้มันเห็นเราไม่รไม่ไมเไ่เลยเฉยๆเออมันก็เริ่มระบายออกมาละเนียริมะบายตนนั้นเป็นหน้าที่ของเราค่อยแซ่ค่อยซึมค่อยคุยไปพระหลายๆองค์ที่มาส่งไปทำ ง, งา น, เ, นเขาก็มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่วิธีแก้เนี่ยมาก็ใช้เทคนิคอย่างที่ว่านี่ แต่ว่าในตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะละเลยเขานะเราเราสืบข่าวเราหาทางพฤติกรรมจากคนอื่นเรื่อยๆคนที่เราข้างเขานะั้นเราก็เริ่มเก็บข้อมูลไปว่าเขาผิดพลาดเพราะอะไรทีนี้พอเขามาระบายเข้ามาหาวิธีแก้กับเราข้อมูลที่เราได้รู้จากคนรอบข้างเป๊ะๆ เ, เ, เลยทีนี้อย่า ง, งอย่างนี้ใช่ไมเ ง, งี้ยเขาก็เริ่มรับโอาทําไมดูเหมือนไม่มีแต่เขาทำไมเขารู้ปัญหาของเราเยอะลึก <laughs> แต่หารู้ว่าเราได้แอบเก็บลึกๆว่าอะไรอย่างนี้ย แต่ทำไมเราไม่แสดงอาการตรงนี้เขาจะยอมรับเรายอมรับเราะั้นนั้นอันนี้คือในจุดที่เราใช้ปัญญาสีขาแล้วก็เข้าไปจัดระเบียบสีและสีขาแล้วก็ในตัวจิตตสีขามันจะแก้ปัญหาได้ในส่วนเราก่อนแต่ในส่วนของเขาเนี่ยเราก็แก้ได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่อีกครึ่งหนึ่งแก้เขาไม่ได้เราก็ใช้วิธีป้องกันป้องกันคือแก้เขาได้ในส่วนหนึ่งที่ว่าเราเมื่อเราเมื่อมีปัญญามีใจเย็นมีเมตตา ม, มากพอเนี่ยแก้ได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเขาต้องไปไปรับชาชิบาป ก, กรรมที่เขาก่กอมาเองก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่เราก็ใช้ส่วนอื่นให้เขาคือให้คำแนะนาที่ดีให้คาปรึกษาที่ดี ในกรณีที่เราไม่ได้ฝึกฝนเขาด้านเมตตาหรือปัญญามาเนี่ยเราอาจจะไ ป, ไปมีอารมณ์กับเขาความไม่พอใจไปมีอารมณ์ร่วมความสูขความทุกข์อะไรเขาแต่ถ้าในกรณีที่เราได้ฝึกฝนมาเนี่ยหนึ่งเราป้องกันตัวเองได้ไม่ไปร่วมสองก็สามารถช่วยเขาได้ในเทคนิคบางอย่างที่เขาต้องการก็แนะนําเข้าไปการดึงมาศึกษามาพบครูบาอาจารย์มาพาไปเขาแล้วแต่เทคนิคของเราล่ะนี่ก็เป็นวิธีการของเรา ซึ่งเอามาว่ามันเป็นศิละปะในการใช้ชีวิตของเราเองแล้วที่สำคัญก็คือเราเองเนี่ยทุกใ น, นเมื่อศึกษาในมิตินี้แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดกับเราเนี่ยเราต้องศึกษามันโดยละเอียดอะ่ะใช่ไหมเป็นเรื่องของโดยเฉพาะคือทำไมฉันเกิดรู้สึกแบบนี้นะฉันยฉันไม่พอใจแบบนี้นะ่ันทำไมต้งชอบต้องต้องดู i n นไซต์เขาเลยอต์ ต้องศึกษาตัวเองให้ได้ถ้าเราศึกษาตัวเอง้อประสบการณ์ในการศึกษาตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการศึกษาคนอื่นเพราะแพทเทิร์นการเกิดปัญหามันไม่ได้ต่างจากอา น, นิจังทุกครั้งหน้าตาเท่าไหร่หรอกแต่มันต่างกํำต่างเวลาต่างเหตุการณ์ต่างยิ่งใสซึ่งไม่ยากในการที่จะศึกษาแต่ให้จําแพทเทิร์นหลักๆเอาไว้ว่าเนี่ยอา น, นิจังทุกครังหน้าตาถ้ามันบริหารจัดการไม่ดีตัวอนิจังก็ไปเกิดขึ้นพอใจชอบใจเกิดความรักเห็นไหม ตัวทุกขงกังคือความไม่พอใจคือพฤติกรรมหงุดหงิดไม่ใช่ก็ไปเกิดของโทสะตัวอนาจาก็คือการที่เราไม่ชัดในข้อมูลต่างๆใช้ชีวิตแบบเพล่เพลเมันก็กลายไปเป็นโมหะเริ่มแพทเทิร์นทางจิตก็คือราคะโทสะโมหะอะไรใช่ไหมแต่แพทเทิร์นหลักมันคือมาจากนิจังทุกขังนาตา ท, ที่พอมาเป็นสมุทัยคือราคะโทสะโมหะแล้วที่นี้รายละเอียดมันเยอะเลยนะ ออกมาเป็นพฤติกรรมวันนี้ใช่ไปอลยต่างๆแต่ในเราเป็นผู้แก้ปัญหาเราต้องกลับมาสู่หลักเดิมคือมาสู่หลักอนิจจังถูกกันตามไหมน ะ, ะความพอใจไม่พอใจนี่เกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของจิตใช่ไหมถ้ามันแปรปรวนในทางถูกมันก็ชอบรักถ้าแปรปรวนในทางไม่ถูกใจมันก็เกลียดชังอะไรเนี่ยพเพิ่มกับไปตรงนั้นเราจะไปจัดการทุกเวทนาให้ได้ แต่กรณีที่ไม่รู้หลงเนี่ยเราก็ไปเพิ่มความสบายให้กับตัวเองราคาและความพอใจก็เกิดหรือเราไปเข้าใจผิดไปทําการปฏิบัติบางอย่างด้วยการทรมานตัวเองมันก็ไปเพิ่มโทสะความไม่สบายกายเนี่ยมันก็ไปเพิ่มความไม่สบายจิตแล้วความไม่สงบจิตมันก็ออกมาเป็นโทสะความไม่พอใจปฏิฆะหงิดเทาเกิน แล้วก็ยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกกดทับบีบคั้นก็เป็นอีกเพื่อคิดว่าไอ้ตัวความไม่สบายเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังอะไรบางอย่างก็เกิดโเกิดพลังนั้นพลังนี้ขึ้นมาแต่ว่าพลังนั้นมันทําร้ายหุ่นเราเนี่ยหุน่นั่กายไม่สบายไปนโน่นไป น, นี่ปวดหัวไม่เวีนหน้าไม่รู้สาเหตุแต่หารู้มันคือความแปรปรวนของของธาตุของขันนะเพราะมันถูกทําร้าย ซึ่งเรื่องรายละเอียดเหล่านี้เรามัจะไม่ค่อยอินไซต์กับตัวเองแต่เราไปตัดสินที่ผ ล, ลออกมาแล้วก็งงเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้เราใช้ชีวิตแสนจะระมัดระวังแต่ทาไมผ ล, ลออกมาเป็นอย่างนี้ขเขาไปโทษพิบาตกรรมเก่าน่อแต่วิบาตกรรมที่เราสร้างปัจจุบันนี้เราก็มองไม่เห็นนะ <c oughs> ตรงนี้ทรกพุทธเจ้าถือว่าก็นั่นแหละมันก็ทั้งสามอย่างมันเข้าไปเก็บเป็นข้อมูลเก็บเข้ามาหมดนะแต่จิตได้สํานึกนะเราไม่รู้เขาเก็บตอนไหนละที่ <c oughs> ดได้สํานึก เป็นไวรัสที่เราไม่ตั้งใจที่เก็บมันจะเกิดเป็นไวรัสคือความผิดปกตินั้นเมื่อเรารู้ข้อมูลอย่างเนี้เราจะศึกษาการเดินการยืนการนั่งการนอนของเราอย่างนี้ว่าเราหวังละทีนี้เราทำด้วยปัญญาแล้วเมื่อก่อนเราทำด้วยความต้องการให้มันดีใช่ไหมตั้งใจให้มันได้นิ่งให้ได้สติได้สมาธิอั น, นเป็นอุปทานความอยากมันก็จะเซฟอีกแบบหนึ่ง แต่เราทําด้วยความตั้งใจเฝ้าดูความอะไรของเราที่มันเป็นไปในฐานะเป็นรูปเป็นนามเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะเซฟอีกแบบหนึง่งตัว น, นี้เป็นองค์ของปัญญาสีขาแล้ะใช่ไหมนะแต่ถ้าเราไปต้องการให้มันนิ่งมันสงบต้องการมั่งต้องการผลต้องการสุขอะไรเนี่ยมันก็จะเซฟอีกแบบหนึง่งเป็นศีลพัตตปาลมาศหรือเป็นสกฤติทิฏฐิใกล้มากเลย ไกลมากๆเพราะอะไรล่ะเพราะเราสั่งสมเข้ามาแยกไม่ออกเขาจะสวิงไปสวิงมาอย่างนี้ดังนั้นนอามาก็มองคนในฐานะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ไม่ได้ตัดสินว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิด น, นะแต่ว่าเป็นตัวกลางให้เราศึกษาเพื่อเราจะเอาข้อมูลของคนคนเนี้ไปสอนอีกคนคนหนึ่งแต่คนนี้เราแก้เต็มที่คือได้แค่นี้แก้แล้วไม่ได้ดีขึ้นกว่านี้แล้วเพราะปัญญามันมีแค่นี้ เราก็เอาตัวประสบการณ์จากคนษาคนนี้ไปแก้อีกคนหนึ่งมันอาจจะแก้คนนั้นได้เพราะปัญญาคนนั้นปัญญาเขาดีกว่าแล้วก็สิ่งที่สั่งสมมาเขาไม่สั่งสมอะไรมามากเกินไปอันนี้ข้อดีของของการศึกษานะดังนั้นเราอยู่ที่ไหนทําอะไรกับใครเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาหมดนะแต่ตอนแรกที่สุดเนี่ยมันจะต้องศึกษากับตัวเองให้ชัดเจนก่อน การศึกษาโดยข้าชัเจนคือคือต้องทําจิตให้เป็นกลางอันแรกนะถ้าจิตของเรามันยังเอียงซ้ายเอียงขวาเองชอบเอียงรักเอียงช่างยากในการที่ศึกษาเพราะมันเอียงมันไม่ตรงกลางนะแต่มันตรงกลางแล้วเนี่ยมันก็จะสนุกละที่เนี่ยหมายความว่าในเรื่องที่เราชอบก็มันนุงไปนิดหนึ่งในเรื่องที่ไม่ชอบนุ่งไปนิดตีเด้งกลับมาตรงกลางได้ทุกครั้งไอ้ตัวปรับจินให้เป็นกลางเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะใช่ไหม แต่ว่าเรื่องทานอาหารเนี่ยมันก็รู้สึกชอบอร่อยมันก็เด่งไปเขาตั้งสติกับขึ้นมาก็เฉยๆกำลังทานนี้กําลังอร่อยกูกลับไปทานที่มันไม่อร่อยดูว่ามันเป็นไงใช้ภาพน้ำมาตัดใช่ไหมหรือทานนี้ไม่มันไม่หวานถ้ามาทานแม้แต่ในพฤติกรรมการกินก็ศึกษามาได้อินไซต์มันได้อะอดังนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากให้ศึกษาในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันต้องต้องได้ประโยชน์ทางด้าน เกิดตัวเข้าใจเพื่อเราจะใช้ชีวิตไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพราะข้อมูลเพื่มขึ้นการศ้านี่โอ้โหมันเยอะแยะมากมายไปหมดวันวันหนึ่งนะขี้เกียจจะทํามำนะเพราะนั้นแปลว่าต้องใช้วิริยะความเพียรความพยายามนั่นแหละถึงมันจะเยอะขนาดไหนท่านก็ต้องพยายามศึกษาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ศึกษาเรื่องสุภาพแล้วเพราะว<อ>่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอากาศมันเย็นขึ้นอีกนะ ก็ต้องมาศึกษาดูมันจะทําไงพออยู่กับมันได้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ตัวแล้วอย่างเนี้ยมันก็จะความรุนแรงต่างๆก็จะลดลงเพราะเราจะรื้อแก้ไขที่เหตุห้เหตุที่จะทําให้ร่างกายของเราอุ่นทำไงเหตุร่างกายที่ทำให้เย็นขึ้นไปทำไงเหตุที่ตรงไหนหน้าอ่าเข้าไปหน้าร้อนหน้าหนาวอย่างเงี้ยฝุ่นผงมันเยอะใช่ไหมจากการแห้งของพ ร, ร ด, ดไม้ใบหญ้ามันก็จะคลาย พวกฝุ่นพกผงอะไรออกมามากมายทีนี้เราจะทําไงก็ระ <c oughs> มัระวังเอาเองนะของธรรมาเซนซิทีฟมากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องยอมเป็นวิบากกรรมแต่ก็ป้องกันเท่าทีป้องกันได้นะก็ไม่ใช่ว่ายอมรับทั้งหมดป้อนงะ ก, กันทุนกอย่างคือจิตกับกายนี่นะความจริงแล้วเนี่ยมันท <c oughs> ํามาอยู่ร่วมกันอย่าง <c oughs> ชัดๆแล้วเนี่ยเข้ามาว่างเบาคือจิตคนไม่ได้รับภาระในเรื่องของอ่า ความพอใจไม่พอใจซึ่งเป็นความคิดนี่นะมันออกไปเขาบอกขันทั้งห้าเป็นของหนักคือความคิดที่เป็นรูปขันดึงเวทนาสัญญ้นๆมันเป็นของหนักคือออกมาเป็นความคิดเนี่ยมันกลายเป็นของหนักเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีสติอเวทนาเหล่านี้แปลงเป็นสติสัญญาปั๊บเนี่ยจิตของเราจะทิ้งขันไปเลยนะขันเหล่านั้นไม่เกิดจิตมันก็จะว่างมันก็จะเบาทันทีเลยนี่ว่าพระอริยเจ้าสละของหนักทิ้งลงเสียแล้วได้สวยใช่ไหมมีคนไหนสามารถทิ้งอภาระทางขันได้ในขณะนั้น คือเป็นอริยะในขนาดนั้นนะนะมันจะเบาสบาย<ะ>แต่ทําไงให้มันเกิดบ่อยๆก็จะไปอย่าไปเสพไปนี่มันก็ก็รู้มันเท่านั้นเองแต่ฉันจะระวังให้มันอย่าให้มันเบาเอย่างนี้ตลอดไม่ได้เดี๋ยวมันก็เผลอพ้นไปนิจังอยู่ร่างกายใช่ไหมอตอนนี้เดินในที่ดีที่สบายออกไปนี่ไปเหยียบเสหินโป๊กขนเข้ามานี่ไม่สบาย <laughs> อะไรวะกูไปเหยียบตะปูหรือเปล่ปานี่หนักขึ้นมาทันทีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การณีสิ่งแวดล้อมมันอาจจะช่วยให้ได้เยอะ แต่ถ้าเราเดินอยู่ในกุฏิทุกอย่างปลอดภัยสบายใช่ไหมเผลอเดินไปร่างเอาเท้าไปแผปลก็ผลักลงมาแค่เนี้ยไม่สบายขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเรื่องขันเนี่ยไว้ใจมันไม่ได้เลยต้องใช้สติสม ญ, ญาอย่างมากเลยถ้าจะให้มันสบายนะแต่ประการสำคัญก็คื อ, อคืออย่าไปเสพคือคือคือค อ, อย่าไปติดใจกับไอ้เรื่องเหล่านั้นก็ mm hmm. อ, อย่าไปสนใจมันมากเกินไป ก็บอกว่านะเออเดี๋ยวมันสบายเดี๋ยวนี้จะไม่เดี๋ยวก็ไม่สบายนะตอนนี้มันว่างเดี๋ยวเกยก็ไม่ว่างอยู่ดีต้องทําใจว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็มาอยู่ดีแหละเออเมื่อกี้มันว่างสบายแต่เราไปจีมไปโอ้เสียดายขอนขวายที่จะทําต่อยตรงนี้มันไม่มีให้แล้วกูก็อารมณ์เสียแล้วนี่ใช่ทําไปเฉยๆจะให้จิบมาสัมผัสบ่อยๆแล้วก็มันจะเกิดทักษะเกิดความชำนิชานาญในการทําอาการนั้นนั้นแต่ก็ไม่ต้องอยาก ตองอยากต้งหวังแล้วเราก็กลายเป็นคนติดพติดแล้วก็ทําอะไรที่มันไม่ว่างไม่สบายฉันไม่ทําเลยทีนี้ฉันจะรักษาตนความว่าอะไรม่ใช่อยากจะได้อีกนะทำไปแบบเหมือนว่าเออเรารู้แล้วเดี๋ยวมันก็หายหาไปก็อย่างเงี้ยเราไม่ไม่เกิดการเสียดายอ่ะใช่ไหมไม่เกิดการเสียดายถ้าหากว่าเกิดการเสียดายทำอะไรที่มันไม่สบายเงือออกเงือตกออกแรงไม่สบายฉันไม่อยากทำแล้วเพราะว่ากลัวภาวะนี้จะหายไปนี่เราไปยึดอะไรใช่ไหม อนี่ก็คือภาวะที่ที่เราต้องเข้าใจเข้าใจนะอย่าเหมือนก็ดูคือจิตของเราต้องผ่านทั้งสองอย่างได้อารมณ์ก็ให้มันผ่านไม่ได้อารมณ์ก็ต้องให้มันผ่านจิตแล้วจะได้เข้มแข็งถ้าเราไปเอาจะได้อารมณ์แล้วเวลาไม่ได้อารมณ์มารับไม่ได้เนี่ยจิตเราก็จะอ่อนแอเพราะไม่มีกําลังใช่ไหมใช่ถ้าสมมติมันไม่ได้อารมณ์เราก็รู้มันอีกเนี่ยก็ยังได้อารมณ์อยู่นะเอพราะเรารู้มัน เออมันได้อีกไงวถ้ามันตัวรู้เนี่ยมันได้กับได้อ่ะคุณจะมาดีมาเสียก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเรารู้จักแก้ไขปรับเอาเท่านั้นเองเข้าใจน ะ, อะโอเคกลับหะ